เวลาถามทุกกลุ่มถามทุกคนร้อยกว่าคนว่ามีใครบ้างที่ไม่ชอบวิธีการจุกระชากลากถู 90% าบอกไม่ชอบยกมือกันเป็นแถวรือไม่ชอบมันก็น่าแปลกนะว่าเมื่อไม่ชอบถึง 90% แต่ทำไมพอให้ทำจริงๆมันกลายเป็นว่าคนทั้งร้อเรซเข้าไปจูกระชากรากถูเปนใหญ่จะหมายความว่าคน 90% คนปล่อยให้คนสิคนซึ่งชอบ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 แต่พอเด็กได้มาจริงๆเด็กก็ชอบนะทางน้าที่ทีแรกเด็กไม่ชอบเด็กมอสมอหได้มาปลูกป่ามาค้างแรมเด็กติดสบายนะต้องมาเดินไกลต้องมาหอบหิวพันไม้ต้องมาตากแดดแต่ว่าพอทําแล้วเนี่ยแล้ามาคุยกันเด็กมีความสุขเด็กสนุกเพราะว่าการทําอะไรที่ทําอะไรร่วมกันแล้วถ้าเป็นการทําความดีแล้วมันก็ทําให้เกิดความเพลินได้ทางนั้น